เรื่องภิกษุหลายรูป564สมัยนั้นมีมหโหรสพในกรุงสาวัตถีคนทั้งหลายนิมนต์ภิกษุไปฉันแม้ตระกูลนั้นก็ได้นิมนต์ภิกษุเช่นนั้นภิกษุทั้งหลายมีความยำเกรงจึงไม่รับนิมนต์ด้วยคิดว่าพระผู้มีพระภาคทรงห้ามการรับของเขี้ยวของฉันในตระกูลที่ได้รับสมมุติเป็นเสขะด้วยมือของตนแล้วฉันคนเหล่านั้นจึงพากันตําหนิประนามโพนธนาว่า พวกเราจะมีชีวิตอยู่ไปทำไมเพราะพระคุณเจ้าทั้งหลายไม่รับนิมนต์พวกเราพวกภิกษุได้ยินคนเหล่านั้นตําหนิประนามโพนธนาคลั่นแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระพุท ธ, ธานุญาตพิเศษลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธํามีกถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุที่ทายกนิมนต์แล้วรับของเคี้ยวหรือของฉันในตระกูลที่ได้รับสมมติเป็นเสขะด้วยมือของตนแล้วเคี้ยวฉันได้แล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้